ห ม, มายความอาหารที่เขาถวายสงฆ์อันนี้พัดตังตัวนี้นะครับแต่โอโนเชนังตัวนั้นอพัดนั่นเขาเขามานิมนต์แล้วก็มีพระพระทูตเทศเป็นผู้แจกแจกแต่พอพอถึงลําดับของปริวาสิกาภิกษุได้รับแจกตามลําดับด้วยอันนี้แต่พระปริวาสิกาพิษุโอนให้เพราะมี ม, มีตัวเองมี ม, มีมีอาหารอื่นจะได้อยู่แล้วก็โอนส่วนนี้ให้ให้องค์อื่นไปเนี่ยหมายถึงอย่างนี้นะครับครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในมันจะละเอียดขึ้นไปนะครับเราเราจะค่อยๆเรียนบทีละอย่างอุโบสถเลยรวรณาเป็นยังไงๆนะครับต่อไปเตนหีพิกเวปริวาสิกานังพิกขูนางวัดตังปัญญเพศสามิยถาปริวาสิกหฮีพิกขูหีนะครับพิกสูทั้งหลายเราจะบะเอเราจะบัญญัติวัดนะแก่ปริวาสิกาภิกษุนะถ้าอย่างนั้นเราเราจะบัญญัติวัดแก่ปริวาสิกาพิกสุ ทุกรูปต้องประพฤติตามนะครับวัดวัด ต, ติตพังนี่ต้องประพฤติตามห้าข้อนี้นะครับทุกรูปด้วยนะครับอันนี้ปริวาสิเกหิตที่คุยนะครับยะถาตัวนี้ไปรับกับเอาเอาเอาประโยคบนเป็นตัวรับนะครับวัดที่พทะเจ้าบัญญัติแล้วอย่างนี้ปริวาสิกาพิสุตต้องประพฤติด้วยนะครับหมายตามมาอย่างนั้นต้องประพฤติตามด้วยนะครับวัดติตพังอ่าทีนี้เราจะเข้าไปตามลําดับแล้วนะครับวันก่อนอ่าอันอันนี้ อันนี้มีมีอุโ บ, โบโสถในที่นี้มีคําว่ายถาวุฒิยถาวุฒิทางอยู่คือตามลําดับพรรษานะครับยถาวุฒิทางในทีน่นี้อุโบโสถนี่ภิกษุเข้าไปอยู่ข้างในก็เข้าไปตามลําดับพรรษาปรวาณาคือไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามปริวาสิกภิกษุหรือป ร, ริวาสิกภิกษุมีมากไม่ต้องห้ามประกาศต่ตาภิกษุอย่างนี้นะครับเข้าไปร่วมกันได้เลยสังฆกรรมในในใ น, ในอุโบสถก็ดีในปรวาณาก็ดีนะครับเข้าไปร่วมกันเลยนะครับ อทีนี้จะจะท่านจะแสดงไปไปตามลําดับบวชนั่งอันดับขอปริวาสขอมานัทอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่งอันดับไอ้ปริวาสมานัทไอ้ในที่นี้เดี๋ยวจะไปไปจะมีปริวาสิกาพิสูนนี่ลงในสังฆกรรมอื่นๆได้ทั้งหมดนะครับเว้นเอคือเป็นคณะปุถุกกาของสังฆกรรมอื่นๆได้เว้นปริวาส ไปปฏิวัติกรรมวาจายครับอภานมานัดพวกนี้ไม่ได้ไปเป็นไปเป็นคณะบุรุษกะคือเป็นจํานวนเต็มของเขาไม่ได้ถ้าจะเป็นธรรมภาไม่พอต้องเก็บวัดเสื้อก่อนแล้วเข้าไปนั่งเป็นเป็นเป็นคณะเอเป็นจํานวนเต็มในนั้นได้เก็บวัดเสื้อก่อนครับต้องเก็บวัดถ้าไม่เก็บวัดเข้าไปเข้าไปนั่งเป็นจํานวนเต็มคือมีมีสามองค์แล้วเอาปริวัติกรภิกษุองค์หนึ่งเข้าไปนั่งและอีกองค์เข้ามาขออย่างนี้ไม่ได้นะครับคือวันนั้นนี่ครับ ที่วัดมหาชรอีกนั่นแหละครับอมีเสียงว่าเอ๊ะพระเราไม่พอจะออกกับพานนะนี่เดี๋ยวจะเอาพระที่เข้าไปวัดนี่แหละนั่งอันดับครับตอนนี้พอพระได้ยินอย่างนั้นก็ฮือหากันใหญ่เลยครับฮือฮากันใหญ่สังโฆตังคุภีต้องเดือดร้อนแตกตื่นกันเดือดเร้อนตอนนั้นมหาชรออาจารย์มหาสมปองก็อยู่อก็เลยมาอธิบายว่าแม้ไม่เก็บวัด ก็นั่งอันดับได้นั่งได้แต่เป็นจํานวนเต็มไม่ได้เป็นจํานวนเต็มได้ด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กรรมอื่นๆได้แต่กรรมนี้ไม่ได้ครับเว้นเว้นแต่ปริวัตต้องเก็บวัดเองเออถ้าเก็บวัดแล้วได้ครับถ้าเก็บเขาพูดว่าในที่ไม่มีมิจฉุกเออถ้าเออเก็บวัดแบบนี้ได้ไม่ถ้าอย่างนี้มีในบาลีในในนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกตรงตรงนี้ครับ คือท่านบอกว่าที่จริงแล้วได้แม้ไม่เก็บวัดแม้จะไม่เป็นจํานวนเต็มอาก็เก็บเอไม่ต้องเก็บวัดก็นั่งอันดับได้ครับออาอแต่เว้นอยู่อันเดียวครับอ <Okay. S 1> พระปริวาตที่ที่สมทานเป็นเป็นพระปฏิวาติแล้วจะมานั่งอันดับให้พระที่มาขอปฏิวาตแล้วจะจ ะ, จะกําลังสวดกรรมให้เนี่ยครับมานั่งอันดับพระปริวาตไม่ได้ฟังไม<ต>่ดับกรรม อ, อื่นได้ครับฟังไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้เพราอย่างนี้ครับ สมมติว่าพระที่ประพฤติวัดนี่ครับประพฤติปฏิบัติก็ ด, ด, กดีมานั่งก็ดีนั่งอันดับกรรมอื่นๆได้กรรมบวชกรรมออกอภิพลกรรมอะไรอย่างนี้ครับอ่ากรรมสวดกรรมวาจาขึ้นมานับนี้ก็ได้แต่เว้นอย่างเดียวคือกรรมวาจาปรปฏิบัติไม่ใช่มันเหมือนกันในเกี่ยวกับไอ้อาบัตตรงนี้นะไอสังฆกรรมที่เกี่ยวกับอาบัตตัวนี้ตลอดไปเป็นเป็นคณะภูรกิกะ ในจํานวนเต็มนั้นไม่ได้กรรมอื่นๆได้ครับหมายความอย่างนั้ น, ม า, น, า น, นมาะป น, นครับครับครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาบัตตัวนี้แล้วกันทั้งหมดครับไม่ได้เว้นเว้นพวกนี้เสียแล้วก็กรรมอื่นทําไปอย่างนี้อุโบสถปรนนาอะไรพวกนี้ทําไปเลยครับกระถินกระเทินอะไรอันนี้ท่านเอาหนังสือมาอ่านให้ดูเลยนะครับในที่นั้นใครจะไปใครจะไปอาใครใครจะไปแสดงว่า อาเป็นคณะปุรกาแก่มานัตตาจริกะเอที่กําลังกรรมของมนัตไไม่ได้ใช่ไหมก็บริวารมันขึ้นต้นเขาก็ต้องยกบริวารเป็นประธานครับในกรรมนี้ทั้งหมดเรียงลงไปเลยครับที่เกี่ยวกับอาบัตตัวนี้ที่เรากำลังประพฤติ ท, ที่เรากําลังจะทําสังฆกรรมเกี่ยวกับอาบัตินี้ทั้งหมดเลยครับไม่ได้แต่ในนั้นมีแยกคําว่ามานัตอยู่ครับเดี๋ยวช่วยหายให้ผมบงมังเอาาเอช่วยหายให้บังแต่ผมอ่านแล้วยังไม่เจอนี่นี่ น, น, นี่กับบาลีนี่อัจฉกถยะ บาลีอะไรนะแต่ผมยังไม่เจอนะผมสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบแล้วมั้งผมก็ไม่มีความสมายใจหาแต่ได้ยินมาว่าไม่มีครับไม่มีไม่มีอไม่มีครับนี่ผมอ่านอผมว่าหลายองค์เคยได้อ่านไม่ต้องอ่านอัรกัตอ่านบาลีไม่มีตรงนี้อัลกัาฮไม่มีพระอัรกัานี่ผมแปลเฉพาะปฏิวัตินี่ผมว่าเกือบยี่สิบรอบแล้วมั้ง กรรมนี้ครับกรรมนี้ทั้งหมด่ะครับกรรมนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเขียนไปข อ, อเขาขเขาจะใช้บริวารนี่เป็นประธานเลยกรรมเขาะปริว่านี่ขึ้นต้นจะใช้บริวารเป็นประธานเกี่ยวกับอาบัตตัวนี้ยครับมันสืบเนื่องกันตลอดแล้วใช้ไม่ได้ครับถ้าเก็บวัดแล้วเออย่างนี้ไม่มีปัญหานะครเก็บวัดแล้วเพราะในเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเจอในที่ที่พระไม่พอผมว่าในที่เดียวกันนหละ ในที่เดียวกันที่ท่านพูดเนี่ยแต่ท่านอาจจะฟังมาไม่เหมือนคนอื่นก็ได้เออท่านอาจจะกําลังคิดคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็พูดมามันเลยเข้าไปผสมกันในเทพม้วนเดียวกัน อ, อผมคิดว่าอย่างนี้เว่าวันก่อนท่านวันก่อนท่านกระทาแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วเรื่องอะไรวะในโบดเนาะเรื่องสีมารเรื่องอะไรนี่แหละแล้วลท่านคิดคิดอะไรแล้วท่านคิดผสมประสานกันเองแล้วเป็นอย่างนี้ออกมามี่มีม่วันนั้นผมว่าท่านไปครั้งหนึ่งแล้วอย่างนี้ ผมจำเรื่องไม่ได้ละแต่แต่ท่านมีมีมีผลงานตรงนี้เดี๋ยวๆเรื่องเรื่องนี้จะเขียนเขียนเปนขอหลักฐานมาถ้าในนี้มีนะครับทำกรรมนั้นได้นะครับอามีถ้าอย่างนี้มีครับอย่างนี้มีแน่นอนเพราะใครๆอ่านก็ต้องเจอครับอย่างนี้มีแต่ถ้าแยกแยะออกไปวันนี้แล้วผมยังไม่เห็น ยังไม่เห็นแต่กางขาผมยังไม่ได้ดูผมไม่ไดเอามากางขากางขาวิจรารณีครับไม่เาแต่ทัสมันตะล้วก็อธิบายวินัยวิโดก ก, ก็ไม่มีแน่นอนถ้าอย่างท่านรถท่านพูดนี่นลองเขียนไปขอมาก็ได้ถ้าได้มาก็ดีผมจะได้รู้บ้างถ้าไม่ได้มาถ้าเขาบอกไม่ได้มาผมท่านพิสิทธิ์รวยอ่ะอ่ะ มาไม่ครบนะบริวารสิกาหรือว่ามานั้นเอ่อมานัทก็ได้บริวารสิกาพิษุก็ได้แล้วก็มา น, านมานั้นมานัตตารหะก็ได้ผูกควรแก่อภานเนี่ยครับพวกนี้เก็บวัดแล้วเข้าไปนั่งเลยวควรครับทุกกรมเลยตั้งแต่บริวารมานัทอภานเรียงมามันเหมือนกันหมดเลยไม่มีกคำไหนแตกต่างกันคําคําพูดนี้ผมรับผิดชอบเองนะครับอ่า <ผม S 1> แล้วจะยกคําพูดที่ผมจําจากอาจารย์มหาสมปองอธิบายวันนั้นเออเออเอพอมีเสียงอันนี้เกิดขึ้น อาจารย์มาสมปองก็เลยมาเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาก็อธิบายว่าที่จริงแล้วเนี่ยคำที่จะเอ <A> <ข>หลักฐานกับคําอธิบายตรงกันมัน้ยวขออภานท่านท่านก็อ่านบาลีไปได้ท่างกับแปะบาลีออกมาอธิบายอือ <c oughs> ตอนนี้ท่านบอกว่าอ่าท่านกล่าวไว้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วอภานกรรมเนี่ยแม่อ่ามาม า, ม า, ม, ามาน้าตาจะได้กล่าวพิสูจนหรอครับเรียกอย่างนี้ไหมครับอ่าไม่ต้องเก็บวัด ก็นั่งอันดับได้โดยที่ยังไม่าไม่ต้องเก็บวัตรครับนั่งอันดับอภัพณกรรมได้ตอนนี้ถ้าแปลว่ายกเว้นกรรมเดียวที่ที่ทไม่อนุญาตคือบริวัติครับคือขอผ้าผ้ามณัตนั่งให้ ป, ป, ปริวาติได้อีกครับแต่ว่าถ้าผ้าที่เป็นปริวัติกะนั่งให้ผ้ามาขอปริวัติกะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เว้นแค่กรรมเดียวคือกรรมขอปริวัติ เออพนมไม่ประหลาดขนาดนั้นคำคำอื่นนี่นั่งได้ข้าพระดิวัติกะนั่งอันดับอื่นก็ได้แต่นั่งอันดับพระดิวัติไม่ได้เอโอ้ประหลาดมากเลตรงตรงนี้หน่าฝังน่ารู้ถ้าถ้ามีท่านก็อธิบายว่าอะไร่เพราะพระบริวัติจะนั่งให้บริวัติตัวเองกําลังวพฤษอยู่นั่นเป็นไม่ได้ไม่ควรนั่งนั้นมานั่งให้มานั้ได้ไหมเออได้ไงได้ไงเออมานั้นนั่งให้มานัดได้ อย่างนี้อย่างงี้ไม่ต้องไปหาพระวานนี้ไม่หาไม่ต้องไปหาแล้วเอาไม่ครบยี่สบองค์อวานนี้ครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปหาพระที่ไหนเราอยู่อยู่อยู่กันแล้วก็ยี่สิบองค์ก็เข้าไปเข้าขอแม่งแค่สิบเก้าองค์เหลือไปสวัดองค์หนึ่งก็ตอนนี้ท่านอะไรบอกที่จริงนั้นได้แต่ว่าอ่าควรจะเป็นกรณีที่หาพระลําบากไม่ใช่แต่ในที่นี้เราพอหาพระได้เดี๋ยวจะไปข อ, อนิมณ์จากที่อื่นพระก็โล่งใจกั น, นหมายถึงเงนเก็่บ้าครับ ตั้งไปยังไงไม่ต้องเก็บหมเก็บวัดตัวนี้ผมแต่พระปริวาสจะนั่งอันดับให้พระปริวาสได้แต่ต้องเก็บวัดก่อนท่านานบอกว่าต้องเก็บวัดอในที่นีพอเก็บวัดแล้วก็เขาทำตามได้แต่ในที่ในที่หาหาแต่ในที่หาภิกษุได้ง่ายไม่ควรเก็บอกไปอย่างนี้ไม่ควรเก็บวั ด, ววดแล้วเข้าถ้ามีภิกษุหาได้ง่ายไม่ควรเก็บวัดแล้วเข้าไปนั่ง อถ้าอย่างนี้มีครับถ้าอย่างนี้มีแกพูดอย่างนั้นเออถ้าอย่างเนี้ยมีถ้าในที่หาภิกษุได้นะภิกษุปฏิวัติศีกภิกษุไม่ต้องเก็บวัดหรอกเพราะเดี๋ยวจะเข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเก็บวัดเข้าไปนั่งหรอกให้พระประกาศตาทั้งหมดไปนั่งเลยในที่นั้นจะอนุญาตไว้ว่าในที่หาภิกษุได้ยากนะครับคือหาไม่ได้หาได้ยากเหลือเกินมันลำบากก็ให้เก็บวัดแล้วก็เข้าไปนะครับไอ้คือคือกําลังสมมุติจะขอมานัดใช่ไหมครับ มันไม่พอหรือจะขออาภารมันไม่พอไอองค์ต่อตอ่ก็เก็บวัดซะแล้วเข้าไปทําให้เป็นทําให้เป็นจํานวนเต็มนะอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนี้มีครับถ้าอย่างนี้มีแต่อย่างท่านรถนี่ผมยังไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินครั้งแรกโอ้ผมมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นซะด้วยนั่นน่ะสิมันประหลาดประหลาดอยู่ผมก็ก็คิดว่าอย่างนั้นท่าน ร, รโจอดก็ดีนะววันวันนี้นอ้อ้าอาผ่านไปก่อน น, อนแอะแต่เรื่องยังไม่ยุตินะครับเออเออ ท่านก่อแล้วทัานการะานของท่านจนจบไปแล้วกันเอาเอาละครับจะเริ่มตั้งตั้งแต่อเขาจะยกมาตั้งแต่เขาจะยกมาแค่แยะถทาวัังอุปัสถาังนะครับไ อ, อ้ปัญจะยะทายถาวัฏถังนะครับตามลําดับเขาจะยกมานิดเดียวแล้วก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอธิบายไปทีละตัวเลยเขายกมาตั้งไว้นิดเดียวปัญจยายถาวัังในอัจฉริา น, นะครับปกติเจหิปิสัตทิงุทธะปฏิปปิยา เอวานะครับปัญจะตสมาปาติโมเขอุทิสมาเนหัตถปาเสนิสีทิจุงวัจ ต, ตินะครับนี่ตัวนี้เริ่มเริ่มข้อที่หนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าตามลําดับพรรษาในที่นี้นะครับห้าข้อกิจห้าข้อมีการทั้งหมดนี่ทําตามลําดับพรรษาท่านเริ่มอธิบายว่าเมื่อพระสงฆ์กําลังสวจดออะไรปาติโมกกันอยู่นี่ปริวาสิกาภิกษุนี่ นั่งในหัตถบาทนะครับคือเข้าไปอยู่ในในหัตถบาทนั้นได้เลยในสังฆกรรมนั้นหมายตรงนี้นะครับนี่นนี่ข้อความเดิมเดิมนะครับข้อความเดิมเลยปริวาติการพิสูจสามารถเข้าไปร่วมในอุโบสถกรรมคือปาฏิโมกได้ต้องนั่งในหัตถบาทด้วยนะครับแต่ในใหมหาปัจรีแก้ออกไปอีกมหาปัจจรีมหาปัจริยังปณะนะปาริยาอานิจีทิตวาปาลิง มหายะหัตถปาสังอมุลจันเตเตนะนิสิติจัพพังน่ะนิสิติจัพพันติวตังในมหาปจดจิกล่าว่านั่งในหัตถบาทนั่งยังไงท่านอธิบายคําว่านั่งในหัตถบาทเมื่อกูนี้บอกว่าให้ให้เข้าไปแล้วนั่งในหัตถบาทใช่ไหมครับในที่นี้บอกท่านบอกว่าไม่นั่งในลำดับของตัวเองนะครับละลำดับเสียสมมุติว่าเป็นองค์ที่สองเนี่ยครับอย่าไปนั่งอยู่ในอันดับที่สอง ละลำดับของตัวเองเสียแต่ไม่ละหัตถบาทแล้วจึงนั่งนะครับกล่าวไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ละหัตถบาทคือเว้นลำดับของตัวเองสมมตุติว่าตัวเองเป็นนั่ง cking. ออาสนะที่สอง <'Yes. S 2> แต่เข้าไปวาดอยู่เวลาเข้าไปวาดไปลงมืโบสดยาไปนั่งที่สองนั่นละลำดับของตัวเองก็คือยกให้องอื่นไปซะแล้วตัวเองมานั่งอาสนะสุดท้ายไอ้ที่ว่าไม่ละหัตถบาทคือต้องอยู่อาสนะสุดท้ายแต่ไม่ใช่อยู่นอกหัตถบาท นะครับตรงนี้ข้อนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่นั่งอันที่สองแต่นั่งที่สามแต่นั่งแบบไม่ตรงแถวเหลื่อมลงมาแบบเดินบินธบับตรับไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>จะมีบินธบัตรต่างหากอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับคนคนค น, คนละอย่างกันทีนี้ในปริสุท ธ, ธิอุโบสถไอเอโมคูนี้ในที่นั้นเขาจะบอกไว้ว่าอุโบสถอย่างเดียวใช่ไหมครับปริสุท ธ, ธิก็เหมือนกัน ปริสุทธิอุโบสถเราไม่เคยทำกันเลยใช่ไหมครับเราไม่เคยทําเลยไม่รู้ว่าไงท่านมิจิรู้ไอมยองตะทําทปีปีนั้นนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยงตะยงต้านั่นสแสดงปริสุทธิเฉยอ๋อปริสุทธิใช่ใชพ่อแกไ อ, อเวลาเขาป ร, รนน่านะแกจำมันสายหลังดานั้นใช่อ่อาก็จำมันสายหลังมไม่ไ ม, ไม่พอที่จะลงโสถใช่ไหมครับครับพระเหลืออยู่แค่สามรูปสองรูปอย่างนี้ต้อง พอถึงวันอุโบสถต้องทำปาริสุทธิอุโบสถแก่กันแล้วกันนะครับทำยังไงอ่ะทีนีมนม้มีวิธีทาำว่าไงครับฮะเอออย่างนั้นหรือไม่ต้องโจทย์โจดย์ดครับผมยังไม่มีต้องอยู่อย่างนี้เงไปลงเลยครับทุกวันวนอย่างนี้มีสองวันครับ มีบัดมิบตดไปแล้วเราเราจะใช้เขาอ้างแบบนี้ได้ไหมครับะใช่วนึงมันมีบออยู่อย่างนี้ไม่ต้องเข้าไปลงนะครับปฏิสิทธิ์กันในกรณีวัดหลงพี่พิสิทธเนี่ยครับ วัดในบ้านวัดนอกบ้านวัดนอกบ้านมีอยู่สามองค์วัดในบ้านเขามีอยู่ห้าหกองเขาสวดปฏิโมกกันแต่ห่างกันกิโลหนึ่งเราไม่ไปเราว่าวัดเราไม่ครบเราก็แสดงปริสุที่กันเรามีที่แสดงเอามีที่สวดปฏิโมกว่าเรามีที่ไม่สมมติไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีมีอยู่สามองค์วัดในบ้านเขามีหกองเขาก็สวดกันไปแล้วเราเราไม่มีที่ที่ คือไม่มีสีมาเลยแต่อ่าไม่มีเล ย, เลยแล้วเราไม่ไปแล้วเ ร, เราทำปริสุธีที่ไหนวะปฏิสุธีที่ที่วัดแล้วเราทำตรงไหนปริสุธีนี่ทำข้างนอกไม่ได้ปริสุธินี่ต้องสวดต้องขึ้นสุนาตเมพันเตอายสมันตาต้องต้องตั้งขึ้นมาด้วยต้องสวดประกาศขึ้นมาด้วย ต, ต้องทำในบเหรอครับครับแบบนี้วัดไม่มีบสก็ไม่ได้ก็ไปไงก็ไปไงเพียงแต่ไม่ได้สวดปาฏิโมกใช่เพียงแต่ไม่ได้สวดปาริโมกครับแต่ต้องทาปาริสุธิ อา้างท่านวิธีทำยังไงที่จดไว้บังคับต้องต้องตรวจต้องสรวจแบบจุนาจุมวันเดสังโฆกันหรออะไรครับรสทธิครับย่ครับอ๋อจดไว้เฉยๆอ๋อไม่ใช่จดไอไอออ่านเจเฉยๆครับอ่ายังนีได้อ่านเดี๋ยวดงั้นจดเลยแต่ในนี้รวมความสิทธิ์อยู่ด้วยนะครับ อ๋อสององก็หานอมทำไงกันน่ะก็ตวแล้วก็รากันโอยยตีไม่ได้ยติอ๋อสามองตุนาตุเมพันเตันาตุเมอัศมันตาลตกันลังมยงั้นมันยังใชได้บอกบอกบอกวันบอกอะไรวะไม่บอกครับตรวจยะตีตั้งยะตเสร็จอ่าเดีเดี๋ยวเดของผมอ่ เหมือนกันนะบ่าเนะเอาเอาคำแนะนำก่อนนะครับเอายาวเท่านี้น ะ, อะขอให้มันได้สมบูรณ์นะครับเอาวันทิยญาบุคคลเออ10เอาวันทิยญาบุคคลผู้มาควรพไหวนอกจากผ้าใบพิษตัวนี้เราไ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล่ไปจนหมดเลยนะครับมดดดกาาารนนีี้ท่เป็อบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไ อ, อ้พระผู้ใหญ่ไหวผู้น้อยไหวพระไหวาพระด้วยกันแต่ไหวผู้น้อยอย่างนี้ท่นานไหวผมผมก็อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ไม่ได้อนุญาตในในในกําลังทํากรรในกําลังอ่าแสดงเทตนาบัตเท่านั้นเนี่ยครับฮครับอย่างนี้ครับ เออเอาเอาเรื S <S hey, ่องนี้ก่อนเดี go ๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไปโอ้มันออกแขนงกินก้านสาขาใหญ่โตโอลาร์ไปใหญ่แล้วทันรถนี่ออกต้นไทมันจะไปเป็นต้นนี่มาเขือพวงอีกแล้วเฮ้ยมาอยู่ในประเด็นนี่ถ้าถ้าอยู่ในสภาเนี่ยเป็นเหลือมเลยออกนอกประเด็นอยู่เรื่อยเลยอ้าววิธีทําประดิษฐ์ที่โบสถนะครับเข้าใจปริสุทธิอย่างก่อน ขยายก่อนอนย่างคือคือหมายถึงการบอกความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันในวันอุโบสถที่ที่พระสงฆ์ ม, มีมีครบองค์นะครับมีมีพระไม่ครบคือสวดไปทีโมกในวันอุโบสถมีเพราะพร ะ, พระไม่ครบเหลืออยู่แค่สามลูกนะครับสมมติงานหรือสองลูกสามลูปสองลูปต้องวันอุโบสถต้องทําปาริสุทธิ์กันนะครับบอกความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันก น, นี้พระพุทธเจ้าบอกไง เอวจนะปณะพิกเวกาตาโพดูกานพิสูจทั้งหลายปริสุทธิโบโสถอันเธอทั้งหลายพึงทํากันอย่างนี้ทํำยังไงนี่นี่อย่างนี้แล้วก็แนะนําเลยนะครับพญาเตนะพิกุนาปฏิภเรนะเตพิกขูยาเปตาโพเตพิกขูพิกูุทั้งหลายเหล่านั้นคือที่อยู่กัน3องค์3ามรูปสองรูปนะครับ อ, อยู่กัน3รูปสองสามรูปรูปหนึ่งอีกสองรูปเตพิกขูนั่นหมายถึงอีกสองรูปพิสูจทั้งหลายเหล่านั้น อันพิกสุผู้ฉลาดนะผู้สามารถเนี่ยพยาเตนะพิกุณาปฏิเพรนะนะผู้มีกําลังปฏิเพรนะมีกําลังในที่นี้คือคือมี ม, มีมีความสามารถที่จะสวดบอกอย่างนี้สวดประกาศอย่างนี้ได้มีเสียงมีความรู้มีสวดถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับพยาเตนะฉลาดนะครับสามารถพึงประกาศให้รู้นะครับออยะเไปตะโพพึงให้ให้ให้ให้รู้ตรงนี้ก่อนนี่นี่ พึงประกาศประกาศยังไงนี่ประกาศอย่างนี้ชุนาตุเมอายสัมมันตาอัชชุปโสถปปนนรถวันนราโสวันนี้เป็นอุโบสถวันนี้เป็นอุโบสถที่วันสิบห้าคำ่ำอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเจตุโสโธอะไรอย่างนู้นยทายะสัมันตานังปัจการัางนะครับใจว่าโน่นน่นตรงโน้นถ้าว่าถ้าว่าปัจการัางความพังพร้อมแห่งท่านทั้งหลายถึงที่แล้วหรือถึงพร้อมแล้ว คือพร้อมกันแล้วเวลานี้ตรงนู้นะครับหมดประโยคมายังอัญญมัายังบริสุทธิอุโบสถังกริยาแมเอกริยาติเอกริยามะพวกเรานะครับพึงทําซึ่งบริสุทธิอุโบสถอุโบสถคือแสดงความบริสุทธิ์อัญญมัายังกะกันและกันนะครับตรงนี้ต้องสวดประกาศอย่างนี้ก่อนพอสวดประกาศเสร็จแล้วก็ว่าอ้าวไอเอจริงองค์แก่เขาว่าก่อนใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้เขียนองค์อ่อนมาองค์องค์ที่มีพรรษามากกว่าก็ว่า บริสุทธิ์โทอาหารเอาอาูอา้โซถูกแล้วผมเขียนถูกไงบริสุทธโทอาหารอุโสบริสุทธโทติมังทาเรตะดูก่อนผู้มีอายุเราเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เธอจงจําเราไว้ว่าเราบริสุทธิ์นะครับเนือความแปดตรงนี้นะครับสามครั้งถ้าผู้อ่อนกว่าก็บริสุท ธ, ทธโทอาหางพันเตบริสุทธโทติมังอ้าวไอ้ตรงนู้นต้องหิ อ, อ้อท่านทั้งหลายอ้อตรงนี้หิไม่ได้ตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับ อัน้นอยบอกผู้ใหญ่เรื่องความเาบความเา้ใหญทไมใ่ตรงนี้ต้องถะนะครับเพอตรงนี้ท่านทั้งหลายจงจำจงจงจาจงทรงเราไว้ว่านะต้องใช้ถะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เปลี่ยนทันเตตัวเดียวนะครับเหมือนกันก so ็ใช้หีไงก็หีไง บริสุทธ์โทอาหางพันเตบริสุทธโทติมังทาเรทะนะเราเป็นผู้ข้าแต่ท่านบุญเจริญเราบริสุทธิ์ท่านขอท่านจงจำกับผมว่าขอพวกท่านสององนะครับหรือถ้าองค์เดียวกันอะไรอย่างนี้ท่านจงจำกับผมว่าบริสุทธิ์นะครับอย่างนี้สามครั้งแล้วเราก็เสร็จแล้ววันนั้นอุโบสถวันนั้นนะครับเสร็จแล้วแล้วในลักษณะที่ท่านพิชิท่านลดไม่มีไม่มีที่ทำมั่งแต่ก็จะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับ คือมันมีอยู่แหละแต่พระไม่มีมีที่อยู่แต่พระไม่มีไม่พอพระไม่ครบครับอย่างกรณีท่านวิสิตต้องเดินตะลองตะลองไปนะไปที่นู่นครับไปที่ที่วัดบ้านไปร่วมกันนะครับเกิดอย่างนี้ครับไปวัดบ้านจริงแต่เขาทำไปแล้วเขาทาไปแล้วครับครูปครั บ, รบเราไปถึงสามรูป ก, ก็ไปขอใช้บทไปบอกกันทีสุทีกันได้ไหมครับเราบอกกับเขาเลยครับพระพระเขาเขาออกจากบทไปแล้ว ครับเราไปบอกก็เข้าเลยบอกก็องค์ที่ที่แสดงอุโบสถไปแล้วครั บ, บที่สวดอุโบสถไปแล้วครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องประกาศนะตรงนี้เพราะเราจะบอกกับเขาเราจะบอกก็อีกองคหนึง่งใช่ไหมครัคล้ายๆว่าในโบสนี้มันลที่ประกาศนี้นี่สวดประกาศทูนาตูเมพันเตก็ต้องบอกส่วดในนู่นครับ เหมือนยัตติขอางตรง น, นี้เหมือนยัตติแต่สององค์สามองค์มันทำยัตติไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องสวดประกาศอย่างนี้ที่ให้ไปบอกองค์ที่สวดที่จบไปแล้วนั่นที่ครับครับแล้วก็ไปถึงสถแสดงเลยปฏิสุโธอหังอะไรอย่างนี้<อ>ผม <อง S 1> บริทุนะเราองค์อื่นไม่ได้ครับบอกอ ง, งไหนวะ อ, วองค์ที่ไม่ได้สวดของวัดนั้นน่ะที่เขาสวดเสร็จไปแล้วก็ได้ที่ท่านถามใหม่ผม ถามว่าสามองค์วัดป่าเนี่ยไปวัดบ้านเขาสวดเสร็จแล้วเขาสวดไปไในมงจบแล้วครับผมก็เลยบอกว่าไปขอโบสบอกปัดที่สุทธิกันตอนนี้อาจารย์บอกไม่จําเป็นให้ไปบอกองค์ที่สวดผมก็เลยถามว่าบอกองค์อื่นนอกจากองค์ที่สวไม่ใช่งองค์ที่เขาฟังกันมาแล้วอุโบสถหมายองนั้นทีนี้กรณีนี้เราจะกรณีที่ว่าสมมุติว่าอุโบสถไม่มีใช่ไหมครับแต่มีน้ําอยู่ครับ เราไปบอกกันกลางน้ําเลยก็เหมือนกันครับอันนั้นก็อุโบสถเอาอย่างที่เรียนอุโบสถมาก็ครับอันนั้นเป็นอุโบสถเป็นอาพัทธสีมาไงครับอได้ครับไม่มีปัญหาเลยเพราะอันนั้นทำกรรมได้ทุกอย่างปวดก็ได้ทำอะไรก็ได้ครับําได้มออืแต่ต้องนุ่งผ้าลงไปนะไม่ใช่โดดตุ้มตามลงไปแล้วก็ไปว่ายน้ําต้มแต้มบอกกันอย่างนั้นไม่ใช่นุ่งผ้าไว้ อัวกรณสุ่แกกันแล้วกันเ็แล้วนึกว่าพระที่นันมีเยอะว่าจะมาลงบนบนตนด้วยจะต้องลงบากไใหม่ไหมครับไม่ต้องครับเขาเราทำไปแล้วครับทาไปแล้วผมแสดงกริสุทธิกันไปแล้วเขามากี่องค์อ่ะ อ, าา อ, อ, อ่าเขาก็อ่านึมนเลยครับแสดงกรณสุที่เลยไม่ไม่ไม่ดังแสดงไอไม่ดังสวดใหม่แต่ถ้าเขา ม, ามากกว่าต้องต้องลงใหม่ใช่ไครับครับ ถ้าเขามามากก็เขาก็ลงแล้วก็บอกว่าเราแสดงปฏิสิทธิแล้วแต่ผมก็จะเข้าฟังอย่างนี้ครับ่ทาอ้าวเอาเกณฑ์นานๆทิงโอ้ยผมสอนมาสี่ห้าสิบวันผมอ้าวถ้าหากว่าอันมงคนเสร็จแล้วนี่เกิดาอึงสมพอดีเราจะบตรตรใหม่กตรปฏิโมกขมันนอย่างที่สมชายถามกีเขาถามมาสององ ไม่ไม่ต้องสวดก็ได้ครับไม่ต้องสวดเพราะเราแสดงปริญาณที่ไปแล้วเราก็บอกเขาว่าอผมไอๆออย่างนี้ที่พระอนุญาตอย่างนี้คือต้องรออยู่จนหมดเวลานะครับนี่ในวันนั้นอ่าเย็นๆดีครับปกติพระจะมากันวันกันใช่ไหมอ่ามืดอ่าถึงมืดอ่าถึงมืดแล้วกันอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รออยู่ครับรออยู่รออยู่จนมั่นใจโอ้วันนี้ไม่มีใครมาแล้วอย่างนี้ครับจึงทํานะครับไม่ใช่เพอสามโมงสองโมง ไม่เราอยู่กันสองคนทํากันน้อยเลยเดี๋ยวไปอุดกันเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าไม่ใช่อย่างนี้ครับต้องรอก่อนครับต้องทําในใจไว้ว่าจัดกวาดปัดกวาดลงโบสดตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอกันนะครับรอกันรอจนมั่นใจว่าวันนี้ไม่มีไม่มีพระที่จะจะมามาให้ครบแล้วแล้วก็เริ่มทําปาริจุทธ่กันอย่างมั่นใจแล้วโอ้วันนี้คงไม่มีใครมาล้นะครับสมมติว่อย่างหัดใหญ่หนายนะ ปกติเคยมีภาพไปรวมรวมรวมรวม ร, ว ม, ร, ว, มรวมกันอ่าบายสองใช่ไหครับทีนี้วันนั้นไม่มีใครมาเลยรอจนเลยกําหนดวันเวลาแล้วปกติพระท่านเคยรู้กันว่าสองโมงวัดนี้ลงโบสถ์ก็ท่านก็รอไปถึงสองโมงแล้วแล้วไม่มีใครมาเลยท่านทําอย่างนั้นทําได้ครับถึงไม่รอจนมืดก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วท่านในใ น, ในบาริท่านอนุ ญ, ญาตให้รอว่าจนจนหมดความหวังว่าพระจะมาครับรอจนหมดความหวังคือสมมติว่า ใกล้มืดอ่าเราเออแสดงบริสุทธิกันเอะอะไรอย่างนี้นะครับรอจนหมดความหวังรูปเดียวท่านให้อะไรอะ่ะบ่อยนะเอออธิษฐานอุโบสถเออเอออธิษฐานถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์เอ อ, เ อ, อผมผมได้แล้วถ้าเราบริสุทธิ์อยู่ให้เราอธิษฐานอุโบสถว่าไอา้เรานี่บริสุทธิ์แล้วนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ให้ให้ให้ตั้งความหวังไว้ว่าถ้ามีพระมาเราจะแสดงนะครับเรามีพระมาเราจะแสดงถ้าไม่มีมา ได้ข่าวว่าใกล้ๆนี้มีรอบๆใกล้ๆนี้มีพระมาอาศัยอยู่หรือมีมีพระอยู่ให้ไปวันวันต่อไปให้ไปไ ป, ไปมีโอกาสก็ให้ไปแสดงนี่อย่างนี้ครับเออใช่แล้วครับก็พิสิทิ์นี่เข้าท่าเข้าท่าฮต่างเดิรู้จักกันมาวันแรกงงครับองคเดียวนี่เขาถามถึงองคเดียวครับองคเดียวอธิษฐานอุโบสถอ่าใช่แล้วครับเข้าท่านันวิสิทธิ์นี่ต่อนะครับ